ก็ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ล่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเหตุการณ์ในช่วงที่พระพุทธเจ้าประทับสวยมุติสุขหลังจากสัสรูปราณตระสมาสมโพธิญาณมาก็เรียกว่าสัปดาห์ที่สี่แล้วคือตีต้นโพ อนุวิสเจดีรัตนะจมกรมเจดีแล้วก็รัตนคระเจดีไปอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเหตุการณ์ที่อนุวิสเจดีรัตนจมกรมเจดีกับรัตนคระเจดีนั้นไม่ปรากฏในพระเจ้าปิฎกแต่ก็ปรากฏในระดับตระถาตอนนี้เพราะว่ า, าพระเจ้าประทับสวยมุมติสุขอยู่เจ็สัปดาห์ แต่ปรากฏในพระบาลีเพียงสี่สัปดาห์เท่านั้นเองวันๆก็หายไปตั้งยี่สิบเ็ดวันเต่การณ์เหล่านี้ท่านก็ได้เรียบเพียงไว้แต่ก็ยังไม่เคยพบว่ารักสั่งเล่าหรือเปล่าว่าจะเป็นเรื่องที่รักสั่งเล่าแก่พระอรหันต์ในยุคต่อมาและท่านก็ บอกเล่าต่อกันมาเหการส่วนใหญ่ไม่ถึงกับเป่งออกมาจากประโอษ์แต่ลองสังเกตว่าทั้งสามสั ป, ปดาห์เนี่ยไม่ได้รักษาอะไรแต่ว่าสั ป, ปดาห์แรกจะมีการเปล่งพระพุทธูฐานเป็นช่วงๆก็เปล่งทุกสามช่วงด้วยกันก็นมาถึงสั ป, ปดาห์ที่ห้าซึ่ง ตนับเฉพาะพระบาลีก็ถือว่าสัปดาหที่สองในการศึกษาต้องใจบิดบกที่เกี่ยวกับลำดับการเนี่ยค่อนข้างจะจะประเด็นยากกันนะรพระบาลีท่านใช้คาว่าครั้งนั้นโดยสมัยนั้นสมัยหนึ่งโดยสมัยนั้นแหละธรรมเนียนะฮะหรือว่าข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระพูมีพรษษ 9, ะภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั้นที่นันแล้วก็ไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังที่เราสามารถลำดับเหตุการณ์ได้พอสมควรซึ่งไม่ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ประมาณสักหกเจ็ดปีแรกปรเปิจับข้าได้ว่าธรรมาเทศนาข้อนี้แสดงที่นี้ข้อนี้แสดงที่นี้ อย่างในช่วงพุทธระวัติเองที่เราศึกษาเราเรียนกันเราก็ไปที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะลำดับการที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือตอนแสดงอาวตารปาติโมกผองค์บอกว่าหลังจากสัสรุแล้วได้เก้าเรีนอนหยือหลังจากแสดงปฐมเทศนาแล้วเจ็ดเดือน หลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่คงจะต้องข้อสังเกตเมื่อถึงเหตุการณ์จงนั้นซึ่งก็ยังอีกนานนะฮะแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต้นใสเชื่อจะป่าในโครแปลว่าต้นใสอันเป็นที่อยู่หรือที่อาศัยหรือที่พักของคนเลี้ยงแพะอาชาเนี่แปลว่าแพะซึ่งก็ คือตามหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยสเสด็จประทับอยู่สามครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยคือตอนที่เข้ารับมาทุปาญาติรับเข้ามาทุปาญาติจากนางสุชดาเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็สแสดงว่าหลังจากได้เลิกบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญทุ ก, กรกักริยาปรนานจนเสวยปกรยาหารพระวรากายเรียบร้อยแล้วคือคืนสู่สภาพปกติแล้ว แต่เวลาท่านแสดงท่านประตาัดรัดข้อความํำนองใกล้ๆกับพอเลิกบำเพ็ญเพียรโดยการทรมานพระรกายแล้วตัดสินพระไทยมาบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็รุ่เ ม, มชาก็รับเข้ามัทุปายาตินางสุสดาเลยซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงเพราะ ส, ะสะภาพของพระโพธิสัตว์ในช่วงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจิเป็นจิญตาย ถือขนาดว่าสเสด็จดำเนินไม่ได้หกล้มแล้วก็สลบไปเลยเด็กเลี้ยงแพ้วน้ำนมมาป้อนให้ค่อยๆป้อนให้จึงได้ฟื้นขึ้นมาเพ ร, ราะบุรกายอย่างนั้นนางสุชาดาจะเห็นเป็นเท ว, วดาเป็นไปไม่ได้ยันที่บอกไว้เนี่ยตอนต้นๆว่าการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาคือศึกษาประจัยปิฎกเนี่ย จะต้องพยายามทำความเข้าใจกับหลักฐานด้านประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีเนื้อหาสาระอยู่ในคำว่าประวัติศาสตร์นี่เป็นอันมากเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการศึกษาทางศาสนาทางรัทินิยมทางอาชีพอะไรต่างต่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์ แต่ตัวนี้เราก็เน้นที่ตัวลำดับการนะฮว่าเหตุการณ์ตรงนี้กับตรงนี้อะไรอะไรมันควรจะเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่ารับข้าวมรรุปลายาตจะนางสุชาดานั้นไม่แปลกว่าเกิดก่อนตจสรู้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เกิดต่อจากติตัดสินพระทยว่าจะบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วรุ่งเช้ารับข้าวมรรุปลายาตเลยเป็นไปไม่ได้เนะี่ยบันคงผ่านเวลานาน ก็่า จ, จะถึงเป็นเดือนด้วยซ้ำไปพอนึกดูถึงยุคสมัยตรงนั้นการแพทย์อะไรต่อะไรก็ไม่ใช่ค่ยดีอะไรเท่าไร่ล้วรงก็อยู่ในป่าด้วยว่าพระวรกายจะฟื้นคืนสภาพปกติได้เนี่ยต้องนานนะนะต้องต้องบุงร่างกายอยู่นานแล้วก็เสวยพระกยานันแบบนักบวช ด, ด้วยนะไม่ใช่แบบบุ้งแบบชาวบ้านก็คงจะกว่าจะนานนะคืนสภาพได้นะี่ย ทีนี้เหตุการณ์ที่ต้นไทรเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อีกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาที่ซ้อนกันแล้วว่าเจอหนังสือแต่หนังสือในยุคหลังเนี่ยคพอเราไปเช็คในพระไตรปิฎกมันก็อีกหละนะสมายหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อตะปาในโขดดิบผังแม่น้ําเดรัญชาราเขาเล่าไปอย่างนั้นคือไม่รู้อะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเพราะนในการบรรยาย ในช่วงต้นไสเนี่ยนะฮะอยู่มาเองค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุการณ์เป็นอันมากที่เกี่ยวกับพระยามาณมาพิจดในช่วงหลังก็ดีนางสุชาดาไม่ใช่นางสุชาดานาตนาราคารตีมาพจิจดพระพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยมันต้องเป็นสั ป, ปดาห์ที่แปดคือไม่ใช่สั ป, ปดาห์ที่ที่ห้าเพระวในที่ห้าในพระบาลีท่านบอกไว้ชัดเจน บาพระพุทธเจ้าได้สนทนากระพรามคนหนึ่งชื่อหุงหุงกระชาติก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นชื่อนะฮะแต่ว่าเป็นใล้ๆกับเอากาลักษณ์หรือสั ญ, ญลักษณ์ของคนคนหนึ่งที่ชอบพูดจาในทํานองข่มขู่คนอื่นก็อความในตอนนี้ท่านบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะคือว่าครั้นร่วงเจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นเสด็จจากบวกไม้โพชิพฤกเข้าไปอย่างไม้อจจะป่านิโครธไปอย่างนั้นเลยอย่างที่บอกไว้นะคือถ้าเราดูในพระบาลีพระไตรปิฎกเล่มที่สี่นี่รัตนะอันนี้มิสเจดีรัตนะจงกรมเจดีรัตน์ขราเจดีนั่นก็ผ่านไปเลยเดีย๋ยวมาความมาออกมาจากต้นโพนแล้วก็มาถึงต้นใสเลยแต่ว่าก็ต้องฟัง อีกสามที่อย่างที่ว่าแล้วในตอนต้นนั่นนะก็สะเสด็จประทับโดยบรลลังก์เดียวเสวยมุติสุขในปะวงไม้เจปานิโครโตตลอดเจ็ดวันก็สแสดงว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดวันนั้นไม่ได้เสวยาระกากหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้สนทนาปราศัยอะไรกับใครแต่หลังจากประทับเสวยมุติสุขเสร็จ มันมีพรามูหุกหักชาต์หุกหักชาต์นะหกหักชาติถุงหุงกชาติหรือหุกหักชาติหุหุกก็คือหึเวลาพูดอะไรก็มีสำเนียงออกมาในรูปคล้ายๆกับขูคนอื่นนิดๆก็ได้ไปถึงพุทธ bo okay. ํานักกันถึงแล้วก็สนทนากันพอสมควรแล้วก็เสร็จแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่สุดท่อนข้งหนึ่ง ก็เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมก็ยังไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าสัสรู้ไม่สัสรู้อะไรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังไม่รับสั่งอะไรกับใครเลยแต่ก็เรียกว่าพระโคดมก็แสดงให้เห็นว่าการประทับสวยไอ้แสวงหาทางสัสรู้ของพระพุทธสั์ในช่วงนั้น ก็คงเสด็จเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แถวนั้นนานหลักฐานทางโบราณคดีในปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าตอนประทับบำเพ็ญทุกกรกิริยาบันทึกของทิเบตนะปรากฏว่าบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ดงกสิริซึ่งก็ต้องขึ้นเขาไปในช่วงหนึ่งคือเขาดงกัสิริแล้วก็อยู่ในถ้ำ เ็าสมัยอาตมาไปศึกษาที่อินเดียก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปเหมือนกันแต่วันนั้นเดินมากเกินไปเลยขึ้นไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นจนถึงทุกวันทิเบตเขามาตั้งกองรักขาอยู่คือมีพระทิเบตเฝ้าบำรุงสถานที่นั้นอยู่เพือนก็ทำให้คนรู้จักปรง พรามคนนี้ก็รู้จักพระผู้มีพร ะ, พระภาทแต่เรียกว่าพระโคโดมซึ่งเป็นพระโครของพระพุทธเจ้าถามว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ก็แล้วทำเหล่าไหนทำบุคคลให้เป็นพรามพระเจ้าไม่ถึงกับตอบนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ปฐมเทศนา หรืถ้าหากว่าไม่ตอบก็คล้ายๆกับตรงนี้เป็นปฐมเทศนานแล้วก็ไม่ได้ตอบกับพรามณ์โดยตรงแต่ว่าปราลบคำกราบทูลถามของพราหมณ์ทรงเปลงเป็นรูปของพระพุทธอุทานทีนี้พุทธอุทานนี่คืออะไรพุทธพุทธอุทานอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากสมนัติสยานคือพยานที่อาศัยสมนัต เกิดจากการประรบธรรมแล้วก็จะทรงเปล่งเป็นรูปพุทธอุทานขึ้นมาเพรา ะ, ะจากวันตรัสรู้มาจนถึงต้นต้นใส่เนี่ยพุเจ้าทรงเปล่งอุทานมาแล้วเป็นครั้งที่สามสามสี่นะห้านะครั้งที่ห้าอุทานรู้สึกจะมีทั้งหมดรูปเก้าสิบแปดข้อด้วยกันหรือแปดสิบเก้านี่ฮะ ปจ้าสบนะี่กสิบสองข้อคือบางครั้งก็เป็นการดูลำพังพระองค์แม้พระหานทั้งหลายเองก็มีแนวของการอุทานอย่างนี้หลังจากท่านบรรลุมาผลเป็นพระหานแล้วจะเกิดอุทานก็เรียกว่าเป็นธรรมปีติมีความเออบิมด้วยธรรมะแล้วก็เปล่งเป็นรูปอุทานขึ้นมา วัฒนการที่คนอื่นรับรู้เนี่ยตอนท่านเปล่งอุทานเนี่ยไม่มีใครรับรู้แต่ว่าถามมาทำไมนำสืบกันมาได้ก็เพราะว่าตอนที่พระอานนท์เทราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นผู้ตุลาถากนั้นท่านขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่ใดก็ตามถ้าากว่าท่านไม่ตามเสด็จไปด้วย พระเจ้าไปเทศอะไรแก่ใครอย่างไรเนี่ยต้องกลับมาเทศให้ทั้งฝังอีกรอบหนึ่งเพราะในเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนก่อนเนี่ยพระเจ้าก็รับสั่งเล่าในบางเรื่องแล้วท่านก็เรียนให้คนอื่นในบางเรื่องก็ทําให้ข้อความเหล่านั้นกลับไปสู่ยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสัจจะรู้ได้เพราะเราเห็นมาเหตุการณ์บางตอนเนี่ยพระพเจ้าอยู่ลำพังพระองค์ เเช่นตอนจัสมศรุกระมังพะชนกพยามาเนี่ยปันเดวคีก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นเทวดาตั้งหลายที่อารักขาอยู่ก็ตกใจตกใจมาห น, นีหมดเลยพระเจ้าก็อยู่โดยลําพังพระองค์เหตุการณ์ช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเสด็จระทับอยู่โดยลําพังพระองค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการเปล่งพระพุธอุทานก็ได้ยินลําพังพ ร่งการที่สื่อต่อกับมาได้ก็คือรับสั่งเล่าก็ยกให้ภิกษุทั้งหลายฟังอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าข้อความตรงเนี้ยข้อความตรงเนี้ยเ่านั้นเมื่อเป็นประโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรอยู่ยังไม่ได้จัดสรุปแต่ก็เป็นอย่างนั้นย่งนั้นก็จะเล่าเหตุการต่างๆให้ฟังแต่ก็ไม่ให้รายละเอียดมาก เป็นไว้แต่ว่ามีพระท่านถามต่อการรายละเอียดก็ทรงแสดงรายละเอียดให้ฟังแต่ถ้าไม่กลับทุณถามรายละเอียดก็จะทรงแสดงเฉพาะที่เป็นธรรมะคือเป็นเรื่องธรรมะกันล้นร้วนพระพุทเจ้ามีพระพุทธพจน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมะอยู่ตลอดคือไม่มีการพูดอะไรที่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องไร้สาระนี่ไม่มีเลย เพจะเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ผู้ฟังอาจจะชอบใจอาจจะไม่ชอบใจแต่พระองค์ก็รู้กาลที่จะจัดประวัจาเช่นนั้นอันนี้ก็คือหลักการในการกล่าวธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะในพุทธอุทานเนี่ยบางอย่างแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยค่อนข้างยากยากแม้แต่การทําความเข้าใจ แต่ว่าได้สะท้อนอะไรออกไปที่ถือว่าก็วิจิตพิสดาร น, นะฮะทาให้เราเรามองเห็นถึงความจริงที่เป็นผลตรงมาจากการสัสรูของพระพุทธองค์ซึ่งในที่นี้จะนำท่านทั้งหลายไปไปเรียกว่าทบทวนนะฮะทบทวนปพวกพุทธอุทานสามสี่ครั้งด้วยกัน ก่อนที่จะเป็นพระพุท ธ, ธุพานที่รับสั่งเมื่อตอนประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อเทปานโครที่ส่งประลบคํากราบทูลถามของหุบพรามวงวงชาติเนี่ยที่ท่านถือว่าเป็นปฐมพุทธพุทธแต่ก็ไม่ปรากฏในพระบาลีนะครปรากฏในตกรถาข้อนี้ข้อแรกที่ท่านเรียกว่าปฐมพุทธพุทธ จะปรากฏในดับอันตรายาถาแต่ปชิมพุทธพจน์เนี่ยปรากฏในพระวาลีปรากฏในพระวาลีมหาเปนิพานในสูตรก็ข้อที่เราคุ้นๆได้ยินกันบ่อยๆนะอมัญญาามิโบริคเววยธรรมาสังคาราพมาเณนะสัมปาเดธาอันนี้ถือว่าเป็นปชิมพุทธพจน์ประธงพุทธพจน์นั้นได้ทรงปรารบพระองค์แต่ว่าไม่มีคนฟังนะคือเปล่งพระวุทธโอษานขึ้นมาด้วยลํำปากพระองค์ พอเราสแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเมื่อไม่พบได้ท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารไม่ใช่น้อยการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์กล้ามไปโดยก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักสร้างเรือนแก่เราอีกไม่ได้แล้วโครงสร้างเรือนของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนเคือวิชาเราก็กําจัดเสียแล้ว จิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปพอเราบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตาหาแล้วดังนี้ก็นั้นก็เป็นการทรงประลบการท่องเที่ยวในสังสารวัฏตลอดกาลยาวนานของพระองค์แล้วก็จนมาถึงการจัสรุ ทีนี้ตอนที่ทรงพิจารณาปัจจยยการหรือปฏิจจสมบัตินเนี่ยเมื่อจบลงทั้งสายเกิดสายดับคราวหนึ่งก็จะทรงเปล่งพระพุทธุถานทข้อความตรงนี้เวลาเนี่ยพระก็นำมาสวดในพิธีที่เราเรียกว่าสวดมนต์นนะครันสวดมนต์ก็จะเกีย่ยวกบับศพ7็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวันหรือแม้แต่ประจำปีก็จะสวดเนีน่ยนี้พุทธานข้อแรกก็รับสังว่าเปล่งว่านะฮะ เมื่อได้แลทำทั้งหลายปรากฏแก่กพราม์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุหมายความว่าทรงศึกษาตามกระบวนการของปัจจัยการนะฮะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถึงนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นดับสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นดับกระดับกันไปเรื่อยๆทั้งสายเกิดและก็สายดับก็ทรงเป่งในตอนปฐมยามแห่งราตรี ตอนมัชจิมยามคือยามกลางก็ทรงเปล่งข้อความข้างต้นนี่เหมือนๆกันว่เาเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายนี่ก็หมายความว่าปัจจัยต่างๆที่เป็นเหตุให้ประสบความทุกข์แล้วก็เรียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏเนี่ย แต่ก็รู้แล้วทีนี้คําว่ารู้ของท่านเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคาว่ารู้ที่เราพูดพูดกันคือรู้ของท่านต้องขจัดความไม่รู้เมื่อขจัดความไม่รู้กิเลสก็ถูกขจัดตามไปด้วยว่าในปัจิมยามแห่งราตรีก็ส่งพิจารณาว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมนั้นพราหมณ์ผู้นั้นย่อมกําจัดมาและเสนามานเสียได้ ดุดปราธิตอุทัยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นนี่คือพุทธูธานที่ทรงเปล่งในโอกาสที่เสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นประสีมาโพนะฮะทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ภายใต้ต้นประสีมาโพแต่ว่าตอนที่เสด็จประทับที่ต้นไซเชือจปานิคโครธเนี่ยก็ ทำนองคล้ายๆกับตอบคำถามของกรุงฮงกชชาตินียแต่ว่าไม่ได้ตอบเขาโดยตรงก็เปล่งเป็นรูปพุทธอุทานแล้วก็พรามเองก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรคือไม่ปฏิเสธหรือว่าคัดค้านเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้รับสั่งอะไรเขามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าปฐมเทศนาก็คือปฐมเทศนา อากามมาที่แสดงแก่ปัญญวคิคีตรงนี้แม่มีลักษณะคล้ายๆกับเทศแต่ไม่ใช่เทศเป็นรูปของอุทานในอุทานนั่นเองก็เรียกเป็นนวังประสตุตส์คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในกลุ่มเก้าเก้าวิธีก็ได้ก็เก้าวิธีกร็รับสั่งเปร่งเป็นพุทโธทานว่าบุคคลใดมีบาปธรรมอรันลอยเสียแล้วไม่ มีกิเลสเป็นเครื่องคู่คนอื่นว่าคือคือไม่มีกิเลสดุดน้ำวาดมีตนสมารวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วบุคคลนั้นไม่มีกิเลสเครื่องขูขึ้นในอารมณ์ไหนไหนในโลกควรกล่าวถ้อยคำว่าตนเป็นพรามโดยธรรม คนนีนทานสยชนต่างหลายจะสังเกตว่าเป็นการสแสดงคุณลักษณะของพระอระหรันต์แต่พุทตธรรมรัตนในแนวนี้จะปรากฏเยอะอย่างเช่นในพราหมวกแห่งพระธรรมบทเนี่ยแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยคือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอระหันต์อาจจะเน้นปัญญาคุณบริสุทธิคุณมาคุณาคุณตรงนี้เน้นหมดเน้นหมดทุกขอ้อ เป็นการนำออกคำว่าพรามซึ่งชื่อถือกันโดยโครงสร้างของพรามเนี่ยว่าคนที่เป็นพรามสมบูรณ์ที่สุดอีหนึ่งต้องอุปโตสุชาติคือมีคันที่บริสุทธิ์หมดจดคือเกิดมาจากพรามพรามเจ็ดชุ่โคตรน่ะคือต่อพรามกันเรไรเลยแล้วก็ต้องมีรูปร่างงดงามสมส่วน แล้วก็ศึกษาจบไซเพศและเวททางกษาตร์ตามธรรมเนียมของพราามแล้วข้อที่สี่ก็ต้องเป็นผู้มีศีลแล้ว้อที่ห้าก็ต้องมีปัญญาเรื่องนั้นคือองค์ประกอบหลักของความเป็นพราามซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้3ามประเด็นแรกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรท่้งหายหรอกมันเป็นการผูกขาดผูกขาดตัดตอนหมายความว่าถ้าไม่อยู่ในวันพราหมแล้วก็ไม่มีโอกาสจะเป็นพราหม แต่ว่าคำว่าพรามในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าปุเจ้าเริ่มปฏิรูปละปฏิรูปละที่ความเชื่อซึ่งปรากฏอยู่ในสมัยนั้นเริ่มในการปฏิรูปคำว่าพรามโดยการนิยามความหมายสมัยและแต่ละแต่ละข้อแต่ละตอนเนี่ยมีนิยามที่น่าศึกษาอีกเป็นอันมากเชนเดียวกันต้องฝังทงัห แต่มประปุตยานในวันนี้ขอยืดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไผ่บุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี